ว่าที่เราภาวนาไปเมื่อคาวที่แล้วนะ่มันมีอะไรบ้างที่ขาดเหลือขาดตกบกพร่องเข้าไปแล้วมันเป็นยังไงแต่เข้าไปเขาวนี่ก็พยายามดูด้วยการสังเกตสรุปแล้วก็คือให้มีสมาธิแล้วก็ปัญญาสมถตและวิปัสสนาสมถะคือทำจิตใจให้สงบ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 โลภไปเพื่ออะไรตายไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมโกรธไปเพื่ออะไรเ อ, อ่ทำไมไปหาโกรธให้สิ่งที่ไร้สาระไรไป้ประโยชน์โกรธแล้วได้อะไรเ อ, อ่หลงมัวเมา ว, ว่าร่างกายสังขารจะอยู่โชฟ้าดินสลายตายไม่เป็นอย่างนั้นเข้ไหมใจไม่ไมน่านจะเป็นอย่างนั้นนะอย่าลุ่มหลงมัวเมานะให้รู้แจ้งเห็นจริงนะให้รู้จริงเห็นจริงนะอ น, นี้จงังทุกขังอนาาัตตานะ